เอาตัวรอดว่ายากแล้วเอาใจรอดยิ่งยากกว่าอากเอาตัวรอดแต่เอาใจไม่รอดให้นบเป็นโอกาสดีที่จะเรียนรู้ว่าลดอัตราได้ก็ลดทุกได้คนคนหนึ่งต้องมีความรับผิดชอบมายาวนานมีวิ น, นัยใช้เวลาการสั่งสมความรู้ความสามารถกว่าจะสามารถเอาตัวรอดไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น เมื่อสามารถพึ่งพาตัวเองไม่ต้องอาศัยใครพอเห็นว่าเอาตัวรอดได้ในโลกอันอยู่ยากนี้คนเรามักรู้สึกทนนงในความเก่งกล้าแล้วก็มักหลงนึกว่ารู้หมดแล้วเข้าใจอะไรอะไรดีแล้วไม่จาเป็นต้องฟังใครแล้วกระทั่งวันหนึ่งเมื่อก่อเหตุแห่งทุกข์ด้วยตัวเองหรือใครมาก่อเหตุแห่งทุกข์ให้กับตนโดยให้ผลเป็นความยุ่งยากชนิดแก้ไม่ได้ ติดค้างคาใจแบบลื้นไม่เข้าคายไม่ออกและเมื่อเอาใจรอดไม่ได้แน่แล้วก็รู้สึกเหมือนไม่รู้อะไรเลยชีวิตที่ผ่านมาไม่เข้าใจอะไรสักอย่างยิ่งไม่แปลกหากคนเอาตัวรอดได้มาจับคู่กันกับคนเอาตัวรอดได้แลาเอาใจไม่รอดด้วยกันทั้งคู่เพียงเพราะต่างฝ่ายต่างนึกว่ารู้หมดแล้วเข้าใจแล้วตัวเองถูกแน่แล้วไม่ต้องฟังใครแล้ว เมื่อรู้แล้วว่าสามารถเอาตัวรอดแต่ไม่อาจเอาใจรอดให้นับเป็นโอกาสดีที่จะลดอัตตาพิจารณาว่าอัตตาเป็นก้อนทุกข์ลดอัตตาได้ก็ลดทุกข์ได้ลดอัตตาเป็นเรื่องดีแต่อย่าถึงขั้นต้องยอมลดศักดิ์ศรีเข้าทำพิธีที่ไม่รู้ว่าคนทำเขารู้อะไรจริงบ้าง สัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ใช่เป็นไปตามพิธีสะดอะเคราะห์ถ้ากรรมแห่งการไม่ฟังใครคือการพอกอัตตาให้หนาขึ้นแล้วกรรมในการยอมฟังคนอื่นบ้างคือการลดอัตตาให้บางลงเพียงละเลิกนิสัยไม่ยอมฟังใครและสร้างความเคยชินใหม่ในการรับฟังคนอื่นก็เท่ากับคุณมีตัวตนหรือชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแน่แล้ว และชีวิตใหม่ดีๆยอมเกิดอะไรใหม่ๆดีๆตามมาเองโดยไม่ต้องวอนขอที่ไหน